เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรม <c oughs> เราใช้การได้ยินได้ฟัง <c oughs> เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับตัวเองเราจะไปทางไหนคิดใดก็ต้องได้ข้อมูลพอสมควร จึงจะไม่เกิดปัญหาเช่นเราจะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเผยแผ่ศาสนาอย่างไต้องมีข้อมูลจึงไม่เสียเวลาเพราะมันชัดเจนและแม่นยำการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอาศัยการได้ยินได้ฟัง คือก็มีแบบฉบับในสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกลางพระพุทธเจ้าอะไ้พูดต่อต่อกันมาได้รทำต่อต่อกันมาจำต่ อ, ต, อต่อกันมาแต่ก่อนนั้นคนเรามันสมองดีปวทุกวันนี้ความจำเก็กโดยเฉพาะเรื่องคำ สอนของพระรูปเจา้าเราพระสาวกทั้งหลายจํากันมาอาโนนในเป็นเอตตะคะในการจําคําสอนของโระรูปจาได้ทั้งหมดแล้วก็หลายหลายลูกทรงไว้ซึ่งธรรมทรงวินไว้ซึ่งวินไนพระสูตรพระวิธรรมพระเวนไน แล้วก็ต่อกันมาบอกต่อกันมาจนมาถึงอ่อาพอมาเห็นธเเาธเถระโอปติสเถระพระโอปติสเถระสังขัยดังขั้งที่สามพอมาเห็นธาเถระก็ต่อกันมาครบ อะไรอีกจำไม่ได้จนมาถึงประเทศสยามของประเทศไทยเราก็ใสยการได้ยินได้ฟังมาแล้วก็การมาปฏิบัติมาสร้างวัฒนธรรมแบบไทยๆศาสนาพุทธแบบไทยๆอันนั้นก็เป็นข้อวัดปฏิบัติสืบๆกันมา สำหรับการปฏิบัตินั้นในพระสูตรพระพุทธองค์ก็สอนไว้การปฏิบัติไม่ผิดทำอย่นั้นอย่นี้เช่นอินทร์สังวรสำรวมอินทรียาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นโลกฟังเสียงดมกลิ่นลิ่มลดถูกต้องปุธะกระทบทำอารมด้วยจิตใจ ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรไม่เห็นเจนนอนมากอะไรที่นะพี่คงจะจำเจงหลวงพ่อในเรียนนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อองค์อนุญาตวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสาขนุนสาขนุน แต่ว่าการปฏิบัติธรรมกับมารฐานเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นที่เราจะต้องพบเห็นด้วยตนเองเราทำอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาเห็นเราจเจริญสติหลักสหกลก็มีอยู่แล้วว่ากายานุปจนนาสติปัฏฐาน มีสติเห็นกายสากลแล้วทำอย่างไรจะเห็นกายโดยอุบายต่างๆที่เราจะต้องหามานอกจากเราทาจากเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากพระสูตรเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ยังไม่พอเราจะต้องมา ส่วนประกอบกับการกระทำของเราที่เพื่อจะให้เกิดความรู้สึกตัวในกาลเทศะต่างๆเป็นเรื่องของส่วนตัวบางอย่างมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาบางคนเห็นเวทนามันเป็นอย่างไรแม้แต่เราเองไม่ใช่บางคนหรอกเมื่อเวทนาเกิดขึ้นกับเราเราเป็นอย่างไร บางครั้งเป็นยังไงบางครั้งเป็นยังไงผิดถูกอย่างไรอาศัยการบทเรียนจากการปฏิบัติของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเวทนาหรือกวอมคิดที่มันทำให้หลงนะ่ะเราทำยังไงมันหลงจุดไหนมันอ่อนตรงไหนเสริมตรงไหนเข้าไปก็ให้มันชัดเจนและแม่นยอา กับความหลงกับความไม่หลงหลงตรงนี้รู้ตรงนี้มันแก้กันตรงนี้นะเราก็ต้องมาประสบการณ์กับตัวเราบ้างไม่ใช่ก็ปปี้ลีอ่าไม่ใช่ก๊อปี้ไม่ใช่อทยายเอกสารไม่ใช่ซีหลอกอะไรต่างๆเอาจากแบบฉบับ จำคำพูดมาพูดป๊อปป๊อป๊อ ป, ป, ปมันไม่ใช่เช <c oughs> ่นอายุศรหลวงปู่เทียนนะ่ะบางคนก็ขี้เลยทีเดียวรักษาไว้เพื่อไม่ให้ผิดไปอย่างอืง่นถ้าใครพูดไม่เหมือนกับหลวงปู่เทียนถือว่าผิด อ, อก็ไปอีกแบบนึงแล้วเช่นเรายากมืสร้างอย่างหวะ อางทีก็จะให้มันแม่นนะถูกมันหลงกุฏเทียนยกบาทีคนอื่นก็ยกแบบอื่นเออเราก็เข้าใจว่าขอทําผิดแบบหลงกุฏเทียนแล้วนันก็ไม่ใช่เพราะอดีตบทต่างๆมีเยอะแยะการเวลาต่างๆที่เราจะต้องทํบาอทีเรายกมือไล่ยุงก็อย่างไดทำไมพร้อมลูกสิ้ตัว <c oughs> ยกมือไปจับเอาสิ่งของก็อย่างได้ ยกมือจับไม้กวดโถบา้า <c> น <oughs> <c oughs> จะให้เกิดความโลภตัว <c oughs> บางคนยก น, น้อยไปรู้ของคนยกเหยาวๆยกมือขึ้นสุดแขนนี่ก็ไป็นถ้ามันงอของยกมือขึ้นสูงลองดู <c oughs> ให้มันถ้ามือมันท่วมหัวห น, หน่อยอ ย, ยกขึ้นแปลงแขนไปแรงๆนี่ก็ไป็ พอใครค copy copy เราพู้เทียน ม, มาก็ถือว่าเราทําผิดมันก็ไม่ใช่เราเอาศัยกาและเวลาต่างๆที่ไว้กระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องหลักของเราจริงๆก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราจะหาจากกายมา แบบไหนให้เราในการรเทศจะเช่นไรลา ท, ลทีเราไปอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายยับสนเราจะไปนั่งยกมือ ส, <c oughs> สร้างว่าสร้งจข่งวะในเหตุการณ์นั้นมันก็ดูไม่เหมาะแล้วก็อาศัยอันอื่นอาศัยถึ่งอื่น <c oughs> อาจจะเอามือลูกหัวเข่าเล่นๆไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราก็จะต้องประยุกต์เพื่อให้เกิดความรู้สึกพอที่จะไม่ให้เกิดความหลงเพื่อดึงไว้ถ่วงไว้ให้ความหลงในผมมุ่นหายชีวิตเราไม่ใช่เราจะนั่งอยู่บนกติของเราชีวิตเราอาจจะไม่ได้เดินที่อยู่ทางเดินจงกลมของเรา มันก็ไม่ใช่อย่างนี้เสมอไป <c oughs> ตัวปฏิบัติ ต, ต้องปฏิบัติไปทุกโอกาสเสรมเพิ่มความรู้เข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันมันจึงจะพอทํไมเช่นนั้นความหลงจะมาแบ่งเอาครึ่งๆ ก, กลางๆไปมันก็เป็นคนครึ่งๆ ก, กลางๆ ถ้าไม่ประยุกต์ไม่ปรับปรุง <c oughs> ไม่ ห, หาโอกาสช่วยโอกาสโอกาสเป็นหลงโอกาสเป็นลูกก็ให้มันมีคู่กันไปแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยนั่นแหละสติไปในกาย <c oughs> อะไรที่เป็นเรื่องของกาย โดยตรงโดยอ้อมหามาให้เกิดความรู้วางครั้งมันหลงมากๆากมันนองมากมากเร า, ก, า ก, ก็หาความรู้ที่มันจะรู้มากๆากตืได้มากๆเข้าไปกับความหลงมากแรงท่วงให้มันพอกันแรงความหลงกับแรงความรู้ให้มันสมดุลกัน ไม่ใช่แรงความหลงก็ให้โอกาสความหลงไปความรู้ก็อ่อนไปกับเขาพ่อย่ำไปกับเขาเออเราไปทำเอาใหม่ไปกลับไปวัดค่อยไปจเจริญจิตใจใหม่ความกลัวจะคิดอย่างนั้นไปนี่มันเราก็ไปอย่างนี้แหละอยู่กับเขาก็วา่าเนไปไม่ใช่ <c oughs> ต้องคงเส้นคงบาการปฏิบัติธรรม ก็หายเป็นนักปฏิบัติร้อยเปอรเซ็นนะเอาร้อยเปอร์เซ็นไว้มันหลงร้อยเปอร์เซ็นตเราก็ไม่มีความรู้ร้อยเปอร์เซ็นมันทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นตเราก็ไม่ทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันนะต้องมีอย่างนั้นเรีย <c oughs> น, นว่านักปฏิบัติมันหลงก็มีมันกันมันไม่หลงก็่ามึ มันหลงก็ต้องไม่หลงนั่นแหละจึงจะเป็นตัวปฏิบัติมันทุกข์ก็ต้องไม่ไมทุกข์นั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติแล้วบางทีมันก็มีอารมณของกรรมฐาน <c oughs> อารมณของกรรมฐานนี่ครับ ควรให้หลงก็ไม่นะเห็นในวรรธรรมหรือเออเห็นวิปัสโนน่นะความรู้ความสุขแต่บทีมันเกิดแหล่งควารู้ขึ้นมามองอะไรทะลุทะลวงไปมันก็หลงได้เหมือนกันหลงไปกับความรู้มันก็เสียเวลาเหมือนกันหลงไปกับความสุข หลงไปกับปิติ <c oughs> นยขอไปไหมมันอ่ อ, อนลงอ่อนลงไัปรับปรุงใหม่ควาหลงเนี่ยมันก็ไม่บอกเราหรอกว่ามันจะหลงในทิศใดทางใดเราก็ไม่ต้องไปแปลกอะไรที่มันหลงเราก็มีความรู้พร้อม เห็นมันรู้เราก็ต้องเห็นว่ามันรู้การเห็นรู้กับตัวที่มันรู้นะเห็นสุขกับตัวที่มันเป็นสุขเห็นทุกข์กับตัวที่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก่อนแล้วก็เห็นมันทุกข์บางทีมันก็แย่งออกไปข้างหน้าเหมนกันมันมีทุกข์ก่อนบางทีมันหลงก่อนเราก็ต้องมีความรู้ไปใส่ตัวรู้สึกตัวอันเดียวนะ ไปเกี่ยวข้องกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราบางคนก็หลงเก่งหลายทิศหลายทางหลายรูปแบบบางคนก็ไม่ค่อยหลงไปเรื่อยๆถ้าหลงก็หลงไปกับความรู้กับความสุขบ้างที่เราไม่เคยประสบพบเห็นหลวงพ่อก็เคยหลง หลงไปกับความรู้หลงไปกับความสุข <c oughs> สําหรับความทุกข์เนี่ยไม่เคยหลงเพราะมันขินความทุกข์ถือว่าเป็นนักสู้อยู่แล้วไม่กลัวเคยอดเคยทนเคยสู้กับความทุกข์ยากลําบากขนาดไหนก็ไม่กลัวอันเชื่อว่าความทุกข์ จะเป็นความทุกข์กายลำบากการกลารกรรมทางานก็ไม่ค่อยกลัวจะเป็นทุกข์ที่เกิดเนินท้าฉลเสริญการพลัดพากการได้การเสียก็ไม่ค่อยหวัดไวเท่าไหร่หรอกถ้ามันคินมันเคยสู้แต่สิ่งที่มันหลงที่มันมีรสชาติคือหลงในความรู้ หลงในความสุขไม่เคยสุขไม่เคยรู้เราก็เห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันรู้นะนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองมันรู้ทำชั้นใดชั้นหนึง่งก็ลอยู่กับความสุขอยู่กับความรู้อะไรก็ไม่ <c oughs> แต่ว่าคนก็พอมันทุกข์ก็ ไม่สู้ก็ม่บางคนนะการปฏิบัติธรรมนะบางคนก็อะไรที่ไม่ไม่ถูกฉระิตเนื้อใสก็ไม่ค่อยสู้เอาตัวเองเข้าไปวัดไปเวียงไม่วางตัวเป็นกลางกางไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ <c oughs> กับการปฏิบัติในหลักสูตรมันก็นี่แหละมีสติเห็นกายนี่แหละ เห็นกายเบื้องต้นก็เห็นการเคลื่อนไหวธรรมดาธรรมดาเห็นเวทนาเบื้องต้นก็เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายเบื้องต้นปวดขาปวดแขนเป็นร่อนเป็นหนาวเป็นเหน็ดเหนื่อยทจำถ่าจะเป็นไข้หนาวหนาวร่อนร่อนขดตัวขดตัวอันนี้ก็เรียกว่าเวทนาดุ้นดุนเวทนาก้อนก้อน ว่าทำให้เราอ่อนแอทําให้เราทําให้ปิดปิดความรู้สึกตัวก็เวทนาก็ทองเป็นใหญ่ต้องเลิกละความเพียรอยันนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าบางคนก็เห็นเวทนาก็ถือว่าเป็นเวทนาการที่จะทําให้ละความเพียรมันเป็นไปไม่ได้เวทนาไม่มีความสามารถที่จะทําให้เราหลงสติได้ เรามีสติตนมันเกิดเวทนาการปฏิบัติธรรมเวทนาอันเดียวพาทำให้เราแพ่เวทนาอย่างเดียวทำให้เราลูกเป็นบางคนหิวข้าวอ่อนแอไปเลยไม่สู้บางคนหิวข้าวโอ้มองในแย่ดีไปเลยอ่าสู้ความหิวเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนเป็นเรื่องใหญ่ ความปวดความเจ็บความปวดเป็นเรื่องใหญ่ความเจ็บความปวดเป็นเรื่องเล็กนอก้อยความรู้สึกตัวเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะแข็งแรงตรงที่มันอ่อนแอสตินะเห็นเวทนาเนี่ยทำให้สติเข็มแข็งฝางคนเวทนาเกิดขึ้นทำให้สติมื่ยล่าอ่อนแออ่า เราก็ต้องจัดเก็บบ้างการปฏิบัติธรรมพอตัวบ้างเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายของเขาก็ต้องพอตัวที่จะขายของเขาแม่เขาจะตำหนิยังไงเขาก็พอตัวที่จะขายของให้ได้แล้วเขาก็ขายได้ เรากำลังจะโกรธเรากรท่วงเราในการขายของเราก็พยายามที่จ ะ, ะแก้ความผิดที่เขาเข้าใจให้เป็นเรื่องถูกต้องก็คิดเรื่องขายของก็ต้องพอตัวที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านักปฏิบัติก็ต้องพอตัวเวลาใดที่มันเกิดการอ่อนแอในจุดใดความหลงเป็นความ เวทนามันเกิดขึ้นทำให้เกิดการอ่อนแอเกิดความหลงเราไม่ต้องอ่อนแอตรงนี้ตรงที่มันจะทำให้อ่อนแอเราไม่ต้องอ่อนแอต้องเข้มแข็ ง, เ, งเกิดความรู้สึกตัวเรื่องของกายกับันกันเรื่องของเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจปวดกัดเสริมไวนะ้การปฏิบัติธรรมนะอยากให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ที่สุดคือความรู้จึกตัวให้ใหญ่กว่นะาการปฏิบัติธรรมแต่ความคิด่นะแต่ก่อนความคิดถือว่าเ ป, เป็นเรื่องใหญ่มโนปุพองมโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายไม่ใจเป็นใหญ่ไม่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จก็พอใจสําเร็จในทางความดีก็เป็นใจสําเร็จในทางความชั่วก็เป็นใจปัจนี้เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้น จะเป็นการความดีไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่โอกาสเราเรามีโอกาสไม่ใช่เราไปได้โอกาสเราต้องมีโอกาสทุกเวลาการทำความดีเรื่องของใจสิ่งที่มันทำชั่วความดีไม่โอกาสความไม่ชั่วไม่โอกาสมันหลงไปกับความคิด มันคิดเวลามันคิดมันเกิดคล้อยตามนึก ว, ว่าตัวตนซะที่จริงมันเกิดจากความคิดความคิดมันก็ก็เป็นเรื่องของเราของเขาที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นในจิต ม, มีใจก็ต้องมีคิดนนคิดนี้แต่ม่คิดสิ่งใดก็ถือว่าเป็นเรื่องของ ความโกกความชอบทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ต้องมีสติเข้าไปดูไปเห็นกอคิดแม้มันคิดดีคิดไม่ดีหรือตั้งใจคิดหรือมันละคิดก็ต้องมีสติควบคู่กันไปขอดูด้วยขอดูด้วยเหมือนนักตรวจสอบตรวจสอบบัญชีขอดูด้วยบัญชีตรงนี้อยู่ตรงไหนอันนั่นอยู่ตรงไหน ให้เราได้เห็นเพื่อตรวจสอบความรู้สึกตัวเข้าไปตรวจสอบกับความคิดไม่ให้คิดถูกตั้งใจคิดก็ต้องลู ก, ก่อดหรือมันละคิดก็ต้องโล่กมากๆไม่ใช่ให้มันเป็นรุ่นๆของเขาไปสอดลูกสอดเห็นไปกับเขาว่าจึงจะเป็นนักวิชาการ ที่ชํานาญในเรื่องความรูคม้ความหลงความรู้ก็เห็นความหลงก็เห็นในชนักวิชาการที่เขาแต่งตั้งให้ทางานนานอยู่หลายปีเชี่ยวชาญอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง น, นักวิชาการคือสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของกายของใจที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมานั่นละคือความรู้สึกตัวอความรู้สึกตัว มันไม่มันไม่หนักหรอกแต่ไปดูไปเห็นเขานะสิ่งที่มันหนักอาจจะเบา ด, ด้วยถ้ารู้สึกตัวไปกับอาการต่างๆอาจจะเบาถ้าปล่อยเขาเป็นของเขาอาจจะหนักความรู้สึกตัวเป็นส่วนเคลียให้เกิดไม่เกิดน้ำหนัเกเป็นความหลงก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ถ้าความรู้ก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ความสุขก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ ผมทุกข์ก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความโลดสุดตัวมันเป็นตัวเฉลีย่ยไมนให้เกิดน้ำหนักถ้ายเอร์เ็นตก็เฉลีย่ยห้าสิเปอร์เซนถ้ามีความโลดสุดตัวถ้าโกรธร้อยเปอร์เซ็นถ้ามีความรูดสุตด100สตัวก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตันเป็นอย่างนั้นจริงๆความโูดสุดตัวเราใช้ตั้งแต่เนี่ยเราใช้ตั้งแต่กายนี้ไป ใช่ตั้งแต่เวทนานี่ไปใช่ตั้งแต่ความคิดนั่นไปใช่ตั้งแต่ธรรมที่มันเกิดขึ้นกับผิดกับใจเป็นอารมณ์เป็นต้นเป็นก้อนเราเฉลี่ยไปเราเฉลี่ยไปเราใช่จนชำนิชํานาญแล้วก็ไปใช่อย่างอื่นจนไปเห็นโูกธรรมเห็นนามธรรมเห็นโลกธรรมเห็นนามธรรมพอเห็นโลกธรรมนามธรรมมันจะเกิดการแตกฉานได้หลัก เรื่องของรูกเรื่องของนามเรื่องของสติรูกธรรมนามธรรมมันทำดีมันทำชั่วมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการก็เรียกว่ารูกธรรมเหมือนกันธรรมชาติอาการที่เกิดขึ้นกับรูกก็เรียกว่ารูกธรรมมันก็ได้หลักเข้าไปแล้วพันได้หลักที่จะเข้าไปแยกไปย่อย ไม่ให้เป็นุ้นเป็นก้อนเหมือนเมื่อก่อนพอเห็นโลกทมนามธรรมเนี่ยมันแยกมันย่อยแยกเป็นหมวดเป็นหมูเป็นกองของเขากองลูกกองนามกองของลูกที่เป็นมหาภูติลูกดินน้ำลมไฟ <c oughs> ที่มันเป็นขันรวมกันอยู่ลูกคงเป็นลูกที่มันเป็นรุ่นเป็นก้อนจับต้องได้จิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะเจ็บพระปวดเพราะการเวลาโูกมันเนี่ยอย่างหลวนพ่อมันก็คิบหายไปแล้วนานหนานอะไรนิดหน่อยก็ เป็นไข่เป็ลอดไป ว, วานนี่ก็ลูกไม่ได้มันจีบหายเพราะการเวลาจีบหายเพราะร้อนเพราะหนาวจิบหายเพราะการทำงานกลากรรมอันนี้มันเป็นลูกในระว่าลูกส่วนเวทนาเวทนามันเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมาทำแต่บางก็อยู่กับลูก ตังอยู่บนฐานของลูกเป็นขันห้าเป็นกองของขันห้าที่มันบวกกันเป็นลูกเป็นนามมันลูกจากร้อนลู้จากหนาวลูยจากเก็บจากปวดลู้จากสุขจากทุกตามขันตามธรรมชาติของเขาส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดจู่บนกองลูก เพราะอายตนะนามนามลูกมันเกิดจากอายตนะภายนอกและภายในตาเห็นลูกมันเกิดอะไรตรงนั้นเกิดรักเกิดชังก็เลยว่ากองของขันท่าที่มันเกิดเป็นนามลูกมันก็มีพพปีชาติปีชลาโมระนะเป็นภพเป็นชาติไปการเกิดทุกคราวเป็นทุกลําไป เกิดโกรธเกิดรักเกิดชังเกิดยินดีเกิ ด, ด, กดยินร้ายแล้วก็เกิดดับสิ่งที่มันเกิดดับจากนั้นก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์ของลูกกองนามเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงแล้วก็บอกเราให้เราเห็นให้เราลู่เรื่องของเขาขอบอก เขาฉายให้เราดูว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เหตุแย่งในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เห็นลูกเป็นนามนะอย่าเพิ่งไปดีใจอย่าเพิ่งไปกระตือลือร้นอย่าเพิ่งไปมีความสุขเราเกิดความรู้แม้บางทีถ้าไม่ทำใ้ลูกไม่ค่นควัวตรงนี้หน่อยไม่สอดลูกสอดเห็นที่เขาแสดงให้เราเห็น มอจะไปเกิดความสุขไปเกิดความรู้ดีอกดีใจมันก็กลายเป็นวิปัสสโนไปเสียเวลาอย่างนั้นตรงนี้ทิ้งการปฏิบัติไปเป็นผู้สุขไปเป็นผู้รู้ไปเลยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดกิเลสตังหาบางอย่างลดลงพวกผักเหมือนกันนะการไปเห็นรูปทำนามทำนะ้ะ ควาโลกความ โ, รมโกรธความลงหนึ่งถือว่าหาที่ตั้งไม่ติดแหละแต่ <c oughs> เพิ่งไปไหว้ใจต้องปลารบความเพียดต่อมีสติเรื่อยไปมันมีอะไรที่ทำให้เราเห็นเราก็เห็นเลื่อยไป <c oughs> เราก็ดูเลื่อยไปมันเป็นหมวดเป็นหมู่ปล่ายกุศลฝ่ายอกุศล ศาสนาพุทธศาสนากรรมการกระทำอย่างไรพอตัวแล้วเห็นรูปเป็นนามแล้วความชั่วทำกบดีชัดเจนแล้วตรงนี้ไปจะใช้รูปจะใช้นามแล้วก็บอกตัวเองได้ต่อนนี้ไปจะไม่ใช้รลปใช้น้ทำทาความชั่วเบียดเบียนตนเดงเบียดเบียนคนอื่น เคยสุบูรี่ก็เลิกสุบูรี่เคยกินเห ล, ล้าก็เลิกกินเหล้าเคยกโกรธก็เลิกโกรธเคย อ, อิจฉาพยาบาทใครก็เลิกอิจฉาพยาบาทกันคืนดีกันนะถ้ารู้จักรูกนะ้นามมักจะเกิดการคืนดีกันให้อภัยกันได้สบายๆแต่ก่อนให้อภัยกันได้ยากถ้าศัตรูโกรธ น, นี้พอมาเห็นลูกในนามแล้เกิดเกิดเกิดความสงสารคนที่สงสารมากที่สุดคือพ่อกับแม่ พ่อแม่ไม่เคยสอนเรื่องนี้ท่านไม่รู้ท่านจงไม่สอนเราท่านก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้นะท่านก็รับทุกข์พอใจในความทุกข์เรื่องลูกเรื่องเต้ายอมรับในการตั้งครรภ์ยอมรับในการเป็นพญาสามีพ่อแม่เราก็าลุอย่างนี้พ่อเราลูกอย่างนี้พอดีบังเกันพ่อแม่ทําให้เราเกิดมาเพื่อแม่ทําไม่ได้พ่อทําไม่ได้ วางลูกเอาไว้เพื่อให้ลูกมาทำเรื่องนี้มันก็ดีโรสชาติของการมีลูกในการเสพความมันก็ทำให้คนเกิดขึ้นมาเพื่อมาลูเรื่องนี้โอ้ถ้าพ่อแม่เราไม่มีเราก็ไม่มีถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ปฏิบัติทำเมื่อไม่ปฏิบัติทำเราก็ไม่ลูเรื่องนี้โอ้ก็คิดเห็นบุญเห็นคนอ่าก็เห็นลูกเห็นนามบางทีบางคนก็หลงตัวนี้นะ พอเห็นโลกแพร่นมามมันก็หลงมันเกิดความสุขมันเกิดความรู้มันเกิดกินณฑารเกิดวิปัสโนวิปัสโนนี่มีปัญญาด้วยนะปัจจิสงบด้วยนะ <c oughs> ทําให้เราทิ้งความเพียรลองไล่วิปัสโนดูสิขีไม่อะไรบ้างวิปัสโนชิบดาจำได้ไหม สติความอิบใจปัจสุบันค ส, สงบสุขลองไล่ไปดูสิสิบอย่างใช่ไหมอ่ามันมีแต่ของดีๆใช่ไหมมีแต่ของดีๆปัญญาด้วยมีไหม นี่แต่ของดีๆนะทำให้เราลืมลืมความเพียรลืมการปฏิบัติอนะก็ไปอยู่กับความโลมีความสุขกาลืมความเพียรไปก็ความแทนที่เราจะฉลาดเราจะเห็นนะพยายามตรงนี้สักหน่อยเวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็ตกแหล่งความู้ได้เหมือนกันนะ ตกแหลงความสุขก็ตกแหลงความอิ่ม อ, อกอิ่มใจตกแหลงความอะไรต่างๆที่มันเป็นเป็นของดีทํำเราห ล, ลงหลงในความดีเนี่ยมันเป็นมืดสีขาวมันหลงในความชั่วมันก็มีโอกาสเข็ดหลากเป็นอยู่หอกถ้าหลงในความดีเนี่ยมันเข็ดหลากไม่เป็นแต่ว่ามันจืดเป็นนะบางคนเนี่ยหมดเลย เห็นหลวงพ่อฟังโลภนะชวนคนโคดธรรมะโอ้ยจะไปสอนเขาหลวงปู่เขยังไม่รู้จะไปพูดให้หลวงปู่ฟังชวนพูดชวนคุยนี่มันเป็นอย่างนี้เป น, นี้แต่พอได้สามสี่ปีมาเขาว่าสารภาพหมดเลยผมไม่มีอะไรเหลือเลยเราบอกแล้วไปเชื่อหมดเลยชืดชื่ดไปเลยต้องมาตั้งต้นก่อนหมายความโลภมันเป็นความโลภแบบ ผิวเผินไม่ใช่ลูกแบบลูกแกงวิปัสโนเนี่ยบางคนจะเป็นอยู่ตั้งปีสองปีไปติดอยู่นั่นเริ่มความเพียรเทศเก่งเป็นนักเทศเพื่อนหลวงพ่อองค์หนึ่งนะอยู่จังหวัดหนองคายพอได้อารมณ์โูภนามคิดอยาจะไปสอนเพื่อนอยู่นั่นอยู่นี่สวนโยมคนนั่นคนนี่ไปสอนเขาส อ, อ, อกัญชาเรียบร้อย ไปพูดนึกว่าเขาจะลูกเหมนเราแล้วเขาว่ายังไงวะเขามาสารภาพให้หลวงพ่อฟังว่าอาจารย์ครับเวลาอาจารย์กับพุทธญาณอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถหรอกนะอาจารย์เหาะไปเลยเขาบอกให้เหาะไปเลยเจกเงิดไปอันี่เขาจะเขาจะยินดีกับเราเขาก็เลยเออมันเกินวิสัยของเขาอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถอกเขาบอกคนแล้วนี่นะหลวงพ่อนะ ทำไมอยู่พุทธยานอะมันไปพูดอะไรบางทีนะพระัจนโนทำให้กล้าหารไม่กลัวใครใครพูดผิดยอมไม่ได้เหมือนควายเขากลางคลิตะพึตะพือรู้จักควายเขากลางไหมฮะควายโตดควายถึก อ่ามันก็ปล่อยออกไปมันจะต้นไม้มันก็ <c oughs> <c oughs> เห็นต้นไม้มันก็ชนตน้นไม้เห็นพุ่ ม, มก็พลิดพุ่มเห็นจอมปวกก็คลิดจอมปวกวิปัสสนูไปนะเหมือนควายเขากลางคลิดตะพึดตะเพือสอนแต่พุดตะเพือไปเลยไม่ทําความเพียรกันเล ย, <c oughs> ย่าไปทางนอกดูวันดีๆรูปมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะความรูต้ตรงนี้นะ แต่ว่าพยายามกลับมาให้มันโลกไปบ้างหยนยอนไปเล็กๆไปน้อยไปเอามันอั้นกันไปมันก็หนักมันก็ <c oughs> อืดตัดมือนกันไปนี้นี่หน่าเราก็กลับมามายกมือสร้างจังหวะทำจังหวะให้ไวขึ้นยกมือสร้างจังหวะให้ไวขึ้นเดินไวขึ้นกว่าเก่ายกหน่อยไม่ต้องหัดแล้วแบเนี้ มันก็เราเขียนดังสือใหม่ๆต้องหัดเขียนช้าๆเขียนเลขห้าเนี่ <c oughs> ยอยากให้มันงาม ๆ, ๆต้องเขียนช้าๆเขียนเลขเก้าไทยๆเนี่ยเขียนช้าๆต่อไปต่อไปเมื่อมันชนานาญแล้วมันก็ไม่ต้องเขียนช้าหรอกไม่ใช่บทเรียนแล้วขนรู้จากโรคทนามทำเน่ะการเจริญสติไม่ใช่บทฝึกขัดเอามาใช่ได้เลยแล้วป่ะนนะ <c oughs> ทําอะไรก็เป็นความรู้จากตัวได้ทั้งนั้น อาจจะมีสิบสี่จังหวะก็ได้นะอาจจะมีสักแปดจังหวะสิบจังหวะนี่ก็พอแล้วนะเหมือนกับเราทำนีนชำนาญทำจังหวะให้ไวขึ้นอาบาเพ็ญฐันกิจแล้วกวาไาไม่ต้องเล่าเรื่องอารมณ์โลภนิ่มไปต้องมดต่อมาแล้วก็พอได้อารมณ์รูปน้่มจะเป็นโอกาสบาเพ็ญฐานกิจ เรื่องของลูกเอาไว้สักห้าสิบห้าสิบที่จะมาลูเรื่องกายใ น, นหน้าสิบห้าสิบห้าสิบประเด็นคอยดูเรื่องกิจพอมาคิดขึ้นมาก็ลูกพับพอมาคิดขึ้นมาก็ลูกพับหมือนก็ไม่เอาคอยจับหนูเพราะพระเจ้าจัดสืบลูกใยกันบําเพ็ญทางกิจนะลกูกครับลูกพับไม่ชาอื่นชาไม่เป็นไรแต่เรื่องของกิจเนี่ย ต้องไวเสถีต้องไวรู้เท่ารู้ทันมันคิดครั้งหนึ่งก็รู้ทันมันครั้งหนึ่งมันคิดสองครั้งก็รู้ทันมันสองครั้งรู้ไวๆให้มันทันควันทันทีนะการเปลี่ยนทางคิดไม่ใช่มันคิดไปแล้วจึงค่อยรู้จักมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความเปลี่ยนทางคิดการเปลี่นการเปลี่ยนทางคิดมันต้องทันทันกันวิธีที่จะให้ทันความคิดก็ต้อง การรูปแบบของการสร้างจังหวะต้องแม่นยำและไวสักหน่อยลู่ป๊อก ป, ะปะลู่เล่นเล่นลู่เบาเบาอ๋อลู่เบาเบ า, าที่จริงการเฉริญส ต, ติตรงนี้มันเป็นการบําเพ็ญทางกิจอยู่แล้วมันความคิดมันก็ไม่ชวนให้หลงเท่าไหร่ไม่มีแต่ชวนให้ลู่ลรอตอนนี้เพราะว่าลู่มันใหญ่มันเป็นหลักมันเป็นฐานมันมีที่ตั้งใหญ่กว่า มันเก้าอี้ไว้เดียวที่เรานั่งอยู่ก่อนแล้วเขาจะมานั่งมันต้องมาผลักเราออกว่าเขาจึงจะได้นั่งแต่ก่อนมันไม่ได้นั่งตรงนี้นะเราปล่อยว่างๆไว้วใครจะมานั่งก็ได้ะพอเราโูภอารมณ์โลภนามาก็เรานั่งเก้าอี้ได้ในที่นั่งแล้วว่าใ น, นโต๊ะทํางานแล้วมีสิทธิจะนั่งตรงนี้แล้ว โ ต, ตนั่งโต้เนี่ยเราก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเราะจะเปรียนก็เมืนโต้นายกตำมณฑีละ่ะพระรูปสติที่มาเห็นโลกเป็นนามเรียบนาดแล้วเรียบนาดที่จะขี้การอะไรได้เรื่องโลกเรื่องนามเพราว่าเป็นใหญ่ถือว่าเป็นใหญ่ใหญ่ในชีวิตแต่ก่อนความหลงเป็นใหญ่ความโกรธความโลภ กิเลสตัณหามันเป็นใหญ่ความักความชังเป็นใหญ่ปันนี้ไม่ได้ความรู้สึกตัวในี่ใหญ่กว่าแล้วพอมันตรวจสอบมันชำนีชานานมันเห็นหมดเรื่องของโลกเรื่องของนาเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของศาสนาพุทธศาสนามันเห็นหมดแล้วจะหลอกไม่ได้แล้วกายจะหลอกไม่ได้แล้วใจจะหลอกไม่ได้แล้วจึงเกิดการบาเพ็ญฐานกิจขึ้นมาอ่า ก่ได้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ไม่จะ่ความรู้เท่านั้นหระกถูกต้องที่สุดเป็นกลางที่สุดเป็นธรรมที่สุดความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าขวาน้าขว้หลังดูขัน้นดูตอนของการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นก็คือการเจริญสติสร้างจังหวะมันมันก็อันเก่านะั่นน่ะ แต่มันเกิดความจานานมันผ่านมนเราเรียนปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกมันผ่านไปแล้วมนเราเรียนนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเด็กมันก็สนนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเดกได้คนเรียนมหาปริญญสองสามสี่ห้าหกเกดแปดเก้าก็ต้องเรียนปเก้าได้วันนี้จะมีอาจารย์มหาไหลมาก็เริญญาทำเก้าประโยชน์มาวัดเรา ก็ต้องสอนบเรียนก้นาประโยกด้านจะไปหลอกเขาไม่ได้เรื่องบาลีเรื่องความโลเรื่องอสายสายของการศึกษาสายของการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติมันก็เป็นสายมาแบบนี้แหละอันนันมันเป็นสูตรอันหนึ่งต่างหากแต่ว่าสูตรตัวไหนสูตรตัวปฏิบัติสูตรที่ศาสนากรรมฐานเนี่ย มันเกิดความรูปแก้มในเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบก็อ่านการทายเห็นอารมณ์รูปนามเลยมันเป็นกิจเปลี่ยนข้างที่นั่น <c oughs> เปลี่ยนยใหญ่หลวงอะไรตรงนั้นะเปลี่ยนไปมากมาเลยนะมันไม่ไม่เหมือนก่อนพอไปเห็นความคิดที่มันเห็นความคิดการบำเพ็ญทางกิจจนความคิด ไม่มีท่าตาลหลไชไปมันก็ถูกเปลี่ยนในครั้งนั้นการไปเห็นขันห้าขันห้านี่มันเปลี่ยนครั้งสุดท้ายนะขันห้าที่มันเป็นอนุสัยถือว่าถือว่าสิ้นพบสิ้นชาติได้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมที่คือก็ต้องลงตัวที่ขันห้า ลูกเวธนาสัญญาสังขารวิญญาณเขายกเลิอกอ่าพูดแบบแบบอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดตามหลวงพ่อนะไปถึงไหนถึงไหนก็ได้สราลูนะแต่ ต, ต้องลงตัวอยู่ที่ขันฮาลงตัวที่ขันหาจบลงตรงนี้เขายกเลิกกันอ่าขันหลังให้กัน เป็นใครเป็นเราของโลกก็อยู่ของโลกของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเขาจะต้องเด่นอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็จบลงการปฏิบัติธรรมนะนะจะไปจำจะไปจำ แม้ว่าไม่ปฏิบัติไปอย่างนี้ไม่รู้ไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปหลงในความสุขความทุกข์ต้องมีสติมีความรู้สึกมีความระลึกตายไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปอยาให้มันเป็นสูตรเดียวทุกคนก็เป็นไปได้ยางแต่ว่าหลักมันมีอยู่ตรงนี้ไม่แม้นไปรู้อันไหนก็ไม่ไกลจากตรวนี้ไป มันพละหันสมัยข้างพระพุทธเจ้าอาจจะปฏิบัติบรรลุธรรมคนละแย่และมุมกันก็จะตูนโลกวัตถุกันเจริญสตินี่แหละคือสตินี่แหละแต่ว่าโอกาสที่มันเกิดพ ร, ร่องมันต่างกันอมันพร่อมตรงไหนสมบูรณ์ตรงไหนมันก็เกิดการบรลุธรรมต่างกัน จริงก็คือการมีสติสมชัญญะความรู้สึกความระลึกได้เนี่แหละอย่าไปเชื่อว่าโอ๊ยทําไมไ ม, นนไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปจะไปพูดอย่างนี้อย่ไปคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดอ่ามันจะเห็นก็าว่งก็โล่ไปเห็นไปทาไปว่าจะมีสติรู้สึกระลึกได้อย่างนั้นแหละอ่าหลักก็คืออยู่ในกายอยู่ในใจเรานี่แหละ เปโลกเป็นน้ำอย่างไรเป็นโลกทาน้ำทำอย่างไรทำไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเ่าได้โูดให้หนักสมองโูดแบบกลวยกลุยทางเอาไว้มันเป็นไปได้อย่างนี้การปฏิบัติมันเห็นแจ้งในกองโลกกองนามมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไงกองโลกทำกองน้ำทำ มันก็เป็นบนเป็นบากอยู่ในนี่มันเป็นศาสนามันเป็นพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้และมันก็เป็นมรรคผลในพานในกองโลภกองนามนี่แหละไม่ใช่ไปนนพานที่ตรงไหนถ้าทำลาก็เขียนไปว่าอยู่ตรงไหนในพานอยู่ที่ไหนถ้าจะมีคาถามว่าพระพุทธ เ, เจ้านิพานอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปรินนิพานนะ ที่ไหล่ะ